ตอนนี้ออกไปหลายจังหวัดไปเห็นแล้วก็ไปเทศที่นนที่นี่จะพบปรากฏการณ์อันหนึ่งก็คือทั้งพระทั้งโยมนะภาวนามาถึงขั้นแยกธาตุแยกขันธ์ไปเนี่ยเยอะมากเลยเยอะเยะมันไม่เคยเจอทำกันได้เยอะขนาด น, นี้มาก่อนนะช่วงปีแรกๆที่หลวงพ่อเทศนะพวกเราตื่นกันเยอะเลย จิตก็ตื่นขึ้นตื่นขึ้นจิตเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานนับไม่ถ้วนะตอนนี้เลยขั้นนั้นมาละพอจิตเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานน้ก็ต้องมาฝึกแยกธาตุแยกขันธ์ไปเข้าสู่การเดินปัญญาจิตที่เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานนั้นเป็นจุดตั้งต้นของการเดินปัญญาถ้าเราไม่มีจิตเป็นผู้รู้นะเราเดินปัญญาไม่ได้ ว่าจิตที่ไม่เป็นผู้รู้มันจะเป็นสองอย่างถ้าไม่เป็นผู้คิดก็เป็นผู้เพ่งจิตที่ไปหลงไปคิดก็เพ่งเป็นช่วงแรกๆสอนพวกเรานะจะสอนให้รู้จักสภาวะสองอย่างเผลอไปกับเพ่งไว้คนทั่วไปมันเผลอไม่เคยรู้เรื่องเลยหลงตลอดชีวิตไม่เคยรู้สึกตัวนักปฏิบัติก็เพ่ง ไม่ว่าไปที่ไหนก็เพ่งเพ่งนะฝึกแบบไหนก็เพ่งทุกแบบเลยเหมือนกันหมดเลยนี้พอเราไม่เผลอไม่เพ่งนะใจเราเป็นกลางรู้ตื่นขึ้มนมาได้ค่อยๆฝึกใจค่อยแต่เดิมคิดว่าการปฏิบัติธรรมต้องเพ่งเอาคนละเรื่องเลยการเพ่งจิตให้นิ่งเป็นสมาธิชนิดทำสมถะเรื่องอารมณูอนุปนิชฌานเพ่งอารมณ์อันเดียวจิตแนบอยู่ในอารมณ์อันเดียวนิ่งๆไม่เดินตันดา การที่เรารู้ทันจิตที่เผลอไปแล้วก็ไม่ไปเพ่งไว้จิตเผลอไปทำอะไรจิตเผลอไปคิดเป็นส่วนใหญ่ทันทีที่เรารู้ว่าจิตเผลอไปคิดนะหัดใหม่ๆมันจะเพ่งถัดจากรู้ว่าเผลอจะเพ่งก็ฝึกไปเรืเ่อยเผลออีกก็รู้แล้วก็เพ่งเผลอแล้วก็รู้แล้วก็เพ่งที่แรกจับรู้ไม่ติดนะมองไม่ออกว่ามีรู้มาขั้นระหว่างเผลอกับเพ่ง นี่พอฝึกมาช่วงหนึ่งก็เริ่มเห็ น, นจิตเผลอไปตรงที่รู้ว่าเผลอเนี่ยไม่เผลอด้วยไม่เพ่งด้วยอยู่ตรงกลางนิ่นี่ความรักดีกลัวจะเผลออีกเลยไปเพ่งเอาไว้นะักปฏิบัติพอรู้ทันว่าอ้าวมันเกินจากรู้ไปแล้วเริ่มชุดคุ้นเคยกับรู้นะจิตเผลอไปคิดเรารู้ทันจิตเผลอไปคิดเรารู้ทันไม่ไปเพ่งต่อคราวนี้รู้ค่อยเด่นขึ้นเด่นขึ้น พอรู้เด่นขึ้นที่หลวงพ่อบักจิตมันตื่นแล้วจิตตื่นแล้วจิตตื่นนี่ยจิตมันเข้าถึงฐานจริงๆนะจิตเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานจิตสงบสะาสว่างจิตเบาจิตนุ่มนวลอ่อนโยนคล่องแคล่วว่องไวจิตซื่อตรงในการรู้อารมณ์จิตควรแก่การทํำมิปัสสนาควรแก่การงานเนี่ยจิตที่เป็นผู้รู้ผู้ตื่นขึ้นมา นี่หลวงพ่อก็พยายามพาพวกเราเดินมาเป็นลําดับลําดับนะหัดรูปเผลอรูปเพ่งกัอนจนกระทั้งหนสุดตัวรู้ค่อยๆเด่นขึ้นเด่นขึ้นพอตัวรู้เด่นแล้วอย่าหยุดอยู่แค่นั้นมาเดินต่อเรามาฝึกจนได้ตัวรู้มาเนี่ยคล้ายๆเราเตรียมความพร้อมของจิตเพื่อการเดินวิปัสสนาเพื่อการเจริญปัญญาการเจริญปัญญาก็คือการทํำวิปัสสนากรรมฐานนั่นแหละ หลักของการเดินปัญญาก็คให้มีสติรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงนะตามความเป็นจริงไม่เข้าไปแทรกแซงแล้วต้องรู้ด้วยจิตที่ตั้งมั่นจิตที่เป็นกลางคือจิตที่เป็นผู้รู้ผู้ตื่นนั่นเองไม่ใช่จิตผู้คิดผู้นึกผู้ปรุงผู้แต่งไม่ใช่จิตผู้เพ่งนะให้ไปรู้ด้วยจิตที่เป็นผู้รู้จิตหลุดออกจากโลกของความคิดมาอยู่ในโลกของความรับรู้รู้กายอย่างที่เขาเป็น รู้จิตใจอย่างที่เขาเป็นรู้ทุกอย่างอย่างที่มันเป็นนะทำตัวเป็นแค่คนดูไม่เข้าไปแทรกแซงเมื่อเราทำตัวเป็นแค่คนดูโดยไม่เข้าไปแทรกแซงเราจะเห็นความจริงนะถ้าเราเป็นคนดูแล้วก็แทรกแซงไปด้วยจนะดูไม่ตรงความจริงใครเคยดูมวย ม, มั้ยมีไหมพวกเราเข้าวัดไม่ค่อยดูมวยเท่าไหร่ใครดูบอลมีไหมบอลบอลเยอะกว่ามวยใครดูละคร น, น้าเน่า โอเยอะกว่าอีกเยอะกว่าบอล น, นี้ชนะบอลน้ำบอลโลกแพ้เลยไปว่าเขาเสียเลยนะว่าเขาน้ำเน่ามันก็พอดีพอดีกับสังคมเราเน่าระดับเดียวกันถึงอยู่ด้วยกันได้เวลาเราดูหมวยนะดูหมวยนี่ปกติดูด้วยความไม่เป็นกลางหรอกมันต้องเข้าข้างใครสักคนหนึ่งนะเข้าข้างใครสักคนหนึ่งเวลาเราเข้าข้างใครนะ เราก็จะรู้สึกว่านักมวยของเราเนี่ยเวลาชกคนอื่นนะแม่ถูกถูกจังๆเลยถูกแรงด้วยแต่กรรมการไม่เห็นกรรมการลำเอียงเราอะไรลำเอียง mm hmm. มันชกเฉียดลูกคางฝ่ายตรงข้ามนะเราว่าถูกแล้วไอ้นั่นหงายไปอย่างนี้ที่แท้เขาหลบนะเราบอกแห ม, มถูกชกซะหน้าหงายเลยเนี mm ่ย hmm. มองไม่ตรงความจริงละไม่ตรงความเป็นจริงเราดูบอลเราเชียร์ข้างนี้นะ นักวอลเรากำลังจะเตะจะเข้าโกแล้วอีกฝ่ายหนึ่งมันวิ่งเข้ามาใกล้ๆแลไอ้นี่เตะผิดไม่เข้าโกเราก็บอกไอ้นั่นมันดึงเอาไว้เนี่ยมือเทพพระเจ้าอะไรต่ออะไรของมันดึงเนี่ยเพราะว่าลำเอียงเห็นไม่ตรงความจริงจะทำให้ปรัสนากรรมฐานจะรู้กายรู้ใจตรงความเป็นจริงได้ต้องไม่ลำเอียงจิตที่ไม่ลำเอียงก็คือจิตที่มันเป็นผู้รู้นั่นแหละ ไม่ใช่ผู้คิดผู้นึกผู้ปรุงผู้แต่งไม่ใช่ผู้วิาพากษ์วิจารณ์ไม่ใช่ผู้ตัดสินทําตัวเป็นแค่ผู้รู้เท่า น, น, นั้นเองเรามาฝึกให้ได้จิตตัวนี้นะวิธีจะได้จิตผู้รู้ก็คือรู้ทันจิตที่หลงไปคิดนี่แหละจิตเผลอตอนแรกพอรู้ทันว่ามันหลงไปคิดจะกลับมาเพ่งเพ่งไปก่อนไม่เป็นไรแล้วก็รู้ว่าเพ่งเอาต่อไปหลงไปคิดใหม่รู้ใหม่หลงไปคิดใหม่รู้ใหม่อย่าเพ่งตลอดการถ้าเพ่งตลอดการเดี๋ยวมันไม่ยอมเผลอ ให้มันเผลอไว้เผลอแล้วรู้ว่าเผลอดีที่สุดเลยนะดีกว่าไปเพ่งไว้ไม่ยอมเผลอเลยไปไหนไม่รอดเราก็อยู่แค่นั้นแหละกี่ปีกี่ชาติก็ยังเพ่งอยู่อย่างนั้นนะมีอยู่คราวนะั้หลวงพ่อไปเจอมีลูกศิษย์คนหนึ่งไปซุ่มภาวนาอยู่ที่แห่งหนึ่งเรียนกับหลวงพ่ออยู่พักหนึ่งนะเราก็ไปซุ่มไปเป็นปีๆเลยนะหายไมนานเราไปเจอเข้า จะบอกบังเอิญก็ไม่มีครับว่าบังเอิญในศาสนาพุทธนะเนี่ว่ากรรมจัดสรรไม่เจอมันเข้ากรรมของมันหรือของเราก็ไม่รู้เห็นแล้วทนไม่ได้นะมันไปเดินรงกลมนะเดินเราเขาบอกเรียกชื่อเขานะเรียกชื่อเขาเอ้ยด็อกเตอร์ <c oughs> นึกออกไหมไอ้ที่ทําอยู่ตอนเนี้นะเมื่อหลายปีก่อนก็ทําแบบนี้ อีกหลายปีข้างหน้าก็จะเป็นอย่างนี้อีกแหละเอเลยได้สตินะมาเจริญสติแทนงานเพ่งไว้นิ่งๆอะ่ะนิ่งมาหลายปีแล้วนะไม่มีพัฒนาการก็ยังพอใจที่จะนิ่งอยู่นั้นนี่เพ่งอยู่ไม่เจริญหรอกได้แต่ความสุขความสงบความสบายได้แต่ความดีเป็นคนดีไม่ดีไม่ไปเกยการะลานกายหรอกแต่มันไม่เจริญหรอกมันเจริญปัญญาไม่ได้ งั้ถ้าเราไปเพ่งไว้จิตนิ่งทื่อๆนิ่งสงบหรือสบายนะไม่เห็นความเป็นไตรลักษณ์ของรูปนามถ้าไม่เห็นไตรลักษณ์ของรูปนามไม่เรียกว่าวิปัสสนากรรมฐานเมื่อวานก็มีพระองค์หนึ่งพระพระผู้ใหญ่มากเลยท่านก็มาเล่าว่าท่านไปฝึกกรรมฐานมาแบบหนึ่งเขาเพ่งเพ่งอยู่ที่จุดหนึ่งนะเพ่งจิตทีร่รวมรวมรวมไปด้วย อาจารย์ก็สอนบอกว่าเนี่ยรวมไปนะเดี๋ยวจะถึงสัญญาเวทยยตานิโรธนิโรธสมาบัติทะลุไปอีกนะทะลุขึ้นไปจะถึงเมืองพระ น, นิพพานไปเฝ้าพระพุทธเจ้าได้เลยเนี่ยนี่ครูบาอาจารย์องค์นี้ท่านก็ศึกษามามากเหมือนกันเคยอยู่กับครูบาอาจารย์ผู้ใหญ่มาเหมือนกันท่านมาถามหลวงพ่อมันเป็นไปได้เหรอนั่งสมาธิแล้วก็ล้างกิเลสไปหมดเลยเนี่ยมอกเป็นไปไม่ได้ ท่าอาจารย์ก็รู้อยู่แล้วนี่ว่ามันต้องมาเจริญสติปัฏฐานสติปัฏฐานเป็นทางสายเอกทางสายเดียวต้องมาทำพิปัสนากรรมฐานนม่ให้ทำสมาธิแล้วก็หลุดพ้นไปสมาธิไม่ได้ทำให้หลุดพ้นนะสมาธิเป็นเครื่องมือเป็นเครื่องมือเป็นทำเป็นตัวทำให้จิตมีพลังนี่สมาธิมีสองแบบสมาธิส่วนใหญ่ที่คนทั้งหลายฝึกกันนะั้นเป็นสมาธิเพื่อจะสงบ สงบสบายแล้วก็เกิดนิมิตนะเห็นโน้นเห็นนี่ไปแบบนึกว่าเห็นพระพุทธเจ้าขึ้นมาสมาธิชนิดหนึ่นงก็คือจิตที่ตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเนี่ยสมาธิชนิดนี้ต้องฝึกคนส่วนใหญ่ไม่คุ้นเคยอ่ะคุ้นเคยแต่สมาธิสงบไม่คุ้นเคยสมาธิตั้งมั่นสมาธิสงบนะฝึกจิตน้อมจิตไปอยู่ในอารมณ์เดียวที่สบายอยู่อย่างต่อเนื่อง สบายพุโทโธแล้วสบายก็อยู่กับพุโทโธจิตก็งสงบไม่หนีไปที่อื่นจิตอยู่กับพุโทโธนี่ได้สมถะสมาธิชนิดที่หนึ่งเป็นสมถกรรมฐานเอาไว้นอนพักผ่อนนะให้จิตใจสดชื่นมีเรี่ยวมีแรงสมาธิที่สองคือความตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานศัตรูของความตั้งมั่นก็คือการหลงไปคิดนี่แหละให้เรารู้ทันนะจิต ท, ที่ไม่ตั้งมั่นคือจิต ท, ที่หลงไปคิดมันไม่ตั้งมั่นมันไหลไป เรารู้ว่าจิตไหลไปปุ๊บมันจะตั้งขึ้นเองรู้ว่าจิตไหลไปมันจะตั้งขึ้นเองไม่ต้องไปดึงไว้ไม่ต้องทําอะไรมากกว่ารู้ทันว่าจิตหลงไปแล้วจิตไหลไปแล้วจิตหนีไปคิดแล้วไม่ต้องทําอะไรมากกว่านั้นทันทีที่รู้ว่าจิตคิดนะจิตรู้จะเกิดขึ้นเพราะจิตรู้กับจิตคิดนั้นเป็นสิ่งตรงข้ามกันงั้นพวกเราฝึกเรื่ๆนะจิตหนีไปคิดเรารู้จิตนี้ไปคิดเรารู้แต่ธรรมชาติของจิตเราหนีไปคิดมาตั้งแต่เกิด คิดตลอดปีตลอดชาติกี่ปีกี่ชาติก็ช่างคิดคิดทั้งวันคิดทั้งคืนคิดกลางคืนเรียกว่าฝันคิดกลางวันก็เรียกว่าคิดควงจริงฝันอยู่กลางวันเรียกว่าคิดนะคิดกลางคืนเรียกว่าฝันมันเป็นอย่างนี้มันเคยชินเพราะฉั้นเวลาฝันเวลาหลงไปเวลาคิดไปคิดนานว่าจิตเคยชินที่จะหลงเราต้องช่วยมันนิดหนึงหากรรมฐานมาสักอันหนึ่งมาเป็นเครื่องอยู่ของจิต ใครถนัดพุดโทโธแต่เดิมพุโทโธให้สงบเปลี่ยนใหม่มาพุโทโธแล้วรู้ทันจิตที่หนีไปคิดใครถนัดรู้ลมหายใจเคยรู้ลมหายใจแล้วจิตไปแนบอยู่กับลมหายใจสงบกนะ็ปรับนิดหนึง่งหายใจไปนะแล้วจิตหนีไปคิดแล้วคอยรู้ฝึกอย่างนี้แทนใครเคยดูท้องฟองยุบแล้วจิตสงบนะเรามาพัฒนาขึ้นอีกขั้นหนึ่งดูท้องฟองยุบไปจิตหนีไปคิดแล้วรู้ทัน ทำกรรมฐานขึ้นมาสักอันหนึ่งเอาอันที่เราเคยชินนั่นแหละแต่ไม่ได้ทําเพื่อสงบแล้วต่อไปนี้ทําเพื่อให้ตั้งมั่นยกเวน้นยกเว้นเวลาที่จิตใจฟุ้งซ่านนะก็ทํากรรมฐานเพื่อให้สงบแต่พอสงบแล้วมาทํากรรมฐานอันเดิมนั่นแหละแต่ทาเพื่อให้จิตตั้งมั่นวิธีทาให้จิตตั้งมั่นคือรู้ทันจิตที่ไหลไปคิดจิตรู้กับจิตคิดมันตรงข้ามกัน งั้นพุทโธไปจิตนี้ไปคิดรู้ทันหายใจไปจิตนี้ไปคิดรู้ทันดูท้องพองยุบไปจิตนี้ไปคิดรู้ทันขยับมือทําจังหวะจิตนี้ไปคิดรู้ทันเดิอนจงกลมยกเท้าย่างเท้าจิตนี้ไปคิดรู้ทันนี่รู้อย่างนี้บ่อยๆแถมอีกอันนึงถ้าจิตไปเพ่งก็ให้รู้ด้วยจิตเพ่งก็จิตสออกนอกเหมือนกันจิตเคลื่อนไปอย่างเวลาเรารู้ลมหายใจจิตไหลไปอยู่ที่ลมหายใจนี่จิตส่งออกนอกนะจิตเคลื่อนไปอยู่ที่ลมให้รู้ทันเข้าไป จิตไหลไปแล้วจิตไม่ตั้งมั่นนะหรือเวลาเราดูท้องพองยุบนี่จิตไหลไปอยู่ที่ท้องให้เรารู้ทันอันนี้ก็จิตไม่ตั้งมั่นหลวงปู่ดูลีกจิตออกนอกทั้งนั้นเลยเดินจงกรมจิตไหลไปอยู่ที่เท้าให้รู้ทันนี่หลวงปู่ดูลีกจิตออกนอกเหมือนกันจิตมันส่งไปจิตมันเคลื่อนไปเพราะฉั้นไม่ว่าจิตจะเคลื่อนไปทางไหนก็รู้ทันก็เคลื่อนไปสองอย่างเคลื่อนหนึ่งอันหนึ่งเคลื่อนไปอยู่ในโลกของความคิดไปรู้เรื่องราวที่คิดก็เรียกไปรู้อารมณ์บัญญัติ อีกอันหนึ่งเคลื่อนไปเพ่งรูปเพ่งนามเพ่งกายเพ่งใจเพ่งลมหายใจเพ่งท้องเพ่งมือเพ่งเท้าอันนี้ไปเพ่งรูปนะเพ่งอารมณ์ปรมัดนะตัวรูปแต่ก็เป็นสมถะอีกนั่นมันมีจิตไหลไปสองอย่างนะอันนึงไหลไปในโลกของสมมุติบัญญัติคือหลงไปในความคิดอันหนึ่งไปเพ่งรูปเพ่งนามอันนี้ก็ไม่ใช่รู้เหมือนกันทั้งคู่เลยจิตส่งออกนอกด้วยกันทั้งคู่เลยนะ ส่งไปอยู่ที่ลมส่งไปอยู่ที่ท้องส่งไปอยู่ที่เท้าจิตออกนอกนอกจากอะไรนอกจากรู้นะคําว่าจิตส่งออกนอกคือนอกจากอะไรไม่ใช่นอกร่างกายนะจิตส่งออกนอกคือนอกจากการรู้ตื่นเบิกบานนะจิตที่ถึงฐานจริงๆจิตไม่เคลื่อนไปโดยไม่ได้บังคับไว้ด้วยนะนี่เราคอยรู้ทันไปทํากรรมฐานขึ้นสักงานหนึ่งแล้วรู้ทันจิตไหลไปคิดก็รู้ทันจิตไปเพ่งก็รู้ทันนี่จิตออกนอกหมดเลย จิตไม่ตั้งมั่นไม่เป็นกลางนะพอเรารู้ทันว่าจิตมันไหลไปโดยเฉพาะไหลไปคิดถ้าไหลไปคิดนะความความไหลไปคิดจะดับทันทีเลยเพราะจิตที่ไหลไปคิดเนี่ยเป็นจิตมีโมหะมีโมหะแทรกอยูนะ่มันมีความหลงแทรกอยู่เป็นอกุศลจิตหลงไปคิดนะทันทีที่สติระลึกรู้จิตที่หลงไปคิดปุ๊บความหลงคิดจะดับทันทีอัตโนมัติเลย เพราะมันเป็นอกุศลสติเกิดแล้วอกุศลอยู่ไม่ได้ดับทันทีแต่ตอนที่หลงไปเพ่งนะ ท, ง ท, งทั้งที่รู้ว่าเพ่งอยู่นี่นแหละจิตไม่ดับนะไม่ถอนออกมาจากการเพ่งนะคนละแบบกันเพราะการไปเพ่งรูปเพ่งนามนะเป็นกุศล น, นะไม่ใช่อกุศลนะเป็นการทำความดีบังคับตัวเองควบคุมตัวเองอยู่เป็นการปรุงดีนะส่วนหลงไปคิดนั้นเป็นความปรุงชั่วนะ ถ้าถ้ารู้ทันม่าหลงคิดปุ๊บจะหายทันทีแต่ถ้าเพ่งอยู่เรารู้ว่าเพ่งอยู่ไม่หายหรอกต้องค่อยๆจงใจค่อยๆ ค, คลายออกคลายออกมันไปเพ่งนะั้นเบื้องหลังมันคือโลภอยากดีอยากรู้อยากเห็นอยากเป็นอยากได้อยา ก, ยากปฏิบัติอยากแค่ไม่ขาดสตินี่มีความอยากซ่อนอยู่นะก็ไปนั่งเพ่งเอาเพ่งเงาถ้ารู้ทันใจที่อยากมันก็เลิกเพ่งไปเองทําลายต้นทางมันซะนะมันก็ไม่เพ่งที่เพ่งก็เพราะอยาก น, ะนี่รู้ทันเข้าไป ใจก็คลายการเพ่งออกนะไม่เผลอไปหลงไปในโลกของความคิดไม่ไปเพ่งไว้ใจก็เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานขึ้นมามันขึ้นมาเองพอนะมีใจเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานแล้วมาดูกายทางานมาดูจิตทางานต่อไปนะเห็นเขาทํางานไปเรื่อยร่างกายเคลื่อนไหวรู้สึกจิตใจเคลื่อนไหวรู้สึกยากไันะ้ยา ก, ายยากายไหมม่เห็นยากอะไรเลยนะถ้าทำได้แล้วไม่ยากหรอกทาไม่ได้ก็ยาก ทำไม่ได้ยากเพราะไม่เคยไม่เคยทำนึกถึงเวลาที่เราหัดขับรถใหม่ๆใครขับรถเป็นมีไหมเป็นเลเก่งขับรถเก่งขับรถทีแรกนึกออกไหมขับรถทีแรกยากนะยากไหมขับเป็นแล้วไม่ยากใครขี่จักรยานเป็นบ้าง ย, ยังมีไหมโอ้ ย, ยังมีเหรอดีนะบางจังหวัดบางอำเภอเขารณรงค์ขี่จักรยานนะ ขี่จักรยานทีแรกยากไหมยากใช่ไหมจับแฮนด์ซะเต็มที่ยังล้มเลยนึกออกไหมมีใครหัดแล้วไม่ล้มเลยมีไหมไม่มีเนาะโงหายากหัดยังไงก็ล้มแต่ว่าพอขับเป็นแล้วขี่เป็นแล้วปล่อยมือยังไม่ล้มเลยนะเนี่ยการปฏิบัติก็เหมือนกันนะตอนใหม่ๆรู้สึกยากยากล้มลุกลุกลกาน แต่พอเราฝึกไปเรื่อยฝึกไปเรื่อยนะชำนี้ชํานาญขึ้นมาสติมาอัตโนมัติขึ้นมานนการภาวนา ง, ง่ายไปหมดเลยนะใหม่ๆก็ยากไปกว่านะจิตที่หลงไปคิดมันคิดมานนานมันคุ้นเคยนะจิตรู้ไม่ค่อยมีถ้านะหาดรู้สึกหารู้สึกไปเรื่อยต่อไปเมื่อรู้ตัวได้เร็วขึ้นเร็วขึ้นนะมาถึงจุดหนึ่งนะภาวนาไปถึงจุดหนึ่งเจตนาจะเผลอมยังไม่เผลอเลยใครทําถึงตรงนี้บ้างมีไหม ยังไม่มีเลยเหรอหนูพ่อเคยเป็นนะตั้งแต่เป็นโยมเลยมีอยู่คราวหนึ่งภาวนามันเห็นสภาวะอยู่กลางหน้าอกเนี่ยมันไหวยิบยับยิบยับใครเคยเห็นไหวยิบยับในหน้าอกยกมือซิยกมือซิเออมีเยอะเหมือนกันนะมันไหวยิบยับยิบยับเนี่ยนะดูแล้วไม่หายอย่างถ้าความโลภความโกรธความหลงเกิดขึ้นมาดูปุ๊บหายปับ๊บรู้สึกไหม โรธขึ้นมาพอรู้ทันมันหายโลภขึ้นมาพอรู้ทันมันหายไอ้ไหวยิบยัไม่ยอมหายไม่หายดูอยู่องนั้นนะดูเสร็จแล้วสติมันไปจอมันไปดูอยู่ดูอยู่เป็นเดือนเลยกลางวันก็ดูกลางคืนก็ดูไม่ยอมเลยมันจะดูของมันตลอดเวลาเพราะมันสงสัยว่าตัวนี้คืออะไรมันไหวยิบยับยิบยัยิบยัขึ้นมานะอยู่เดือนหนึ่งได้โอ้ยทุกข์มากเลยมันเหนื่อยแสนสาหัส เหนื่อยหนักเลยเอ๊เราจะทำไงดีเราไม่ผ่านในตัวนี้เนาะไปถามครูบาอาจารย์ดี ก, กว่าไปหาหลวงพ่อพุธตอนนั้นท่านกำลังมีงานเรียกงานบูรพาจารย์หนึง่งสามทันวาใช่ไหมชักจะจำไม่ได้แล้วไม่ได้ไปหลายปีกนะมีโยมมีพระมาเต็มวัดเลยนี่หลวงพ่อไปแต่เช้าเลยหลวงพ่อพุธ ท, ท่านยังไม่ได้ออกไปเทศ ก็ไปเล่าให้ท่านฟังเนี่ยมันไหวอย่างนี้จะทํำยังไงครับมันทรมานมากเลยเห็นอยู่เดือนหนึ่งแล้วพวกเราสมมติพวกเราดูหนังเรื่องเดิมหนึ่งเดือนทุกไหมทุกอะ่ะฟังเพลงประโยคเดียวหนึ่งเดือนทุกไหมประโยคเดียวเ น, นี่ยมันเห็นไหวเยบยับยบยทุกทุกบอกหลงพรอพูดเนี่ยผมจะทําไงดีแต่เดิมสภาวะอะไรเกิดขึ้นนะผมดูพวกขาดหมดเลยนี่ไม่ขาด หลวงพ่อพูดบอกการภาวนาเนี่ยพอถึงขั้นละเอียดนะมันเหลือแต่ยิบยับยิบยับท่นว่างี้ยมันเหลือแต่ยิบยับยิบยับให้ดูไปนะดูไปเนี่ยไม่มีทางปฏิบัติอื่นหรอกมันเป็นความปรุงละเอียดจิตมันปรุงละเอียดท่านพยายามซ้อนนะใจเราไม่ลงก็ปรุงละเอียดนะครับแล้วทำยังไงจะผ่านใจใจมันไม่ลงแต่ไม่พูดนะแต่ท่านรู้ว่าใจเรายังติดอยู่ เนี่ยครูบาอาจารย์ท่านรู้หรอกใจเรายัางคล่องอยู่นี่ติดอยู่ท่านก็พยายามอธิบายใหญ่นะวนไปวนมาซ้ําไปซ้ำมาใช่ให้จิตเราคลายออกมันไม่คลายนะสักครึ่งชั่วโมงแล้วพระมาตา ม, มน้องได้เวลาแล้วคนเขารออยู่เต็มศาลาเลยท่านบอกเอาไว้ก่อนเอาไว้ก่อนไอ้นั้นไปเทศตามธรรมเนียมนะไม่สําคัญเท่าไหร่หรอกตัวนี้สําคัญต้องแก้กรรมฐานก่อนนี่ท่านพยายามแก้ให้หลวงพ่อเนะี่ยเกือบชั่วโมง ไม่ตกนะแก้ไม่ตกในสุดเราก็ต้องบอกท่านว่าหลวงพ่อเหนื่อยเต็มทีแล้วครับนิมนต์หลวงพ่อไปเทศเถอะเดี๋ยวผมค่อยไปหาทางจัดการเอาเองสงสารท่านนะแล้วเราก็ชักกลัวด้วยเขามาตามหลายรอบแล้วก็ชักตาขวางๆแล้วเสร็จ <c oughs> แล้วกลับมาบ้านแก้ไม่ตกเขียนจดหมายไปถามอาจารย์มหาบัวนะสมัยโน้นท่านยังตอบจดหมายอยู่คนยังไม่ยุ่งกับท่านมากตอนนั้น เขียนไปถามท่านเนีมันยิบยับอย่างนี้ทำอย่างไรอะไรเงี้ยเลท่านก็ตอบมานะให้หนังสือทําเตรียมพร้อมมาบอกเราเพิ่งไปทําตาใหม่เราเขียนจนหมายยาวไม่ได้อ่ะให้ไปอ่านเอาเองโอ้โหเล่มเบลเลยไม่รู้จะทําทไงท่านให้มานะเอาหนังสือลงวางนะบนโต๊ะกราบเลยกราบท่านไหนไท่านก็ให้มาละเอาละลองดูสักหน้าสองหน้าก็แล้วกันพลิกออกมานะกลางกลางเล่มนะ ตอบเรื่องนี้เป๊ะเลยไม่ใช่ปฏิหารหรอกพอดีมือมันไปเปิดหน้านี้เข้าเนาะท่านก็บอกเหมือนที่หลวงพ่อพูดบอกเปรียบเลยการภาวนาพอถึงขั้นละเอียดเลยแต่ยิบยับยิบยบแก้ไม่ตกเลยแก้ไม่ตกตายแล้วอาจารย์มหาบัวบอกมาก็เหมือนที่หลวงพ่อพูดบอกนะีคิดอย่างนี้ทาําไงดีมันมีแต่ทุกข์ล้นเลยบอกจิตบอกกับจิตนะหยุดซะวันนี้อย่าดูมัน วันนี้อย่าดูมันเลยนะไปดูของอื่นนะไปดูหนังฟังเพลงก็ได้นะอย่าไปทําอะไรก็ได้ให้มันไปที่อื่นอย่ามาดูอยู่ตรงนี้กลางหน้าอกเนี่ยสั่งมันอย่างนี้มันไม่ยอมนะเปิดทีวีดูแนละ้วมันก็เห็นได้นี่ยิบแยบยิบแอยู่อย่างนี้นะแก้งไงก็ไม่ตกไปยืนรอรถเมย์อยู่จะไปทํางานนะคนก็เยอะแยะเลยที่ไปรถเมย์เพื่อนร่วมทางเยอะนะเรียกเพื่อนร่วมทุกนะไปรอรถเมย์อยู่ บอกมันเฮ้ยเลิกดูเหอะเลิกดูมันไม่เลิกนึกขึ้นได้ว่าเอ๊ะเราไม่ได้ทําสมถะมานานลนะทำซะหน่อยพอเดินปัญญาเนี่ยเป็นจุดอ่อนนะพวกเราเป็นทุกคนอะ่ะพอเดินปัญญาได้แล้วชอบทิ้งสมถะไปเลยนะไม่ทิ้งต้องไม่ทิ้งนะเอาละ ว, วันนี้ทําสมถทะท่าตีหายใจเข้าพูทธหายใจออกโทนับหนึ่งเข้าพูทธออกโทนับสอง น, นับไปนับไปได้28ครั้งนะหายใจเข้าออก28ทีจิตมันรวมลงไป รวมเอไปนะมันได้พักนิดหนึ่งนะเพราะมันถอนขึ้นมาไอ้ยิบยับจะขาดไปนะหายไปจิตหลุดออกไอ้จากไอ้ยิบยับแต่ยิบยับมีอยู่นะจะปรุงไปเรื่อยแหละถ้าไม่ใช่พระอรหันต์มันปรุงอีกแต่จิตมันถอนออกมันไม่เข้าไปเพ่งไปเกาะนิ่งๆอยู่แล้วเนี่ยดูจิตนะมันสั่งมันไม่ได้หรอกมันสั่งมันไม่ได้เพราะเราทําภาวนานะจับหลักจับหลัก ทำความสงบเป็นช่วงๆไปแล้วก็ดูมันทางานไปเป็นระยะระยะระยะไปสลับไปสลับมาใจนะจิตจะได้มีเรี่ยวมีแรงเป็นของสั่งไม่ได้ห้ามไม่ได้บังคับไม่ได้มันทำงานของมันได้เองนะมันจะไปยิบยับมันก็ยิบยับเองมันจะไปดูยิบยับมันก็ไปดูของมันเองนะทำไม่ได้สักอย่างนี่เราค่อยฝึกค่อยฝึกนะค่อยหัดไปทีแรกไม่ชำนาญ เจอสภาว่าอะไรแปลกๆนะก็ไปติดไปค้นไปว้าอยู่งั้นเสียเวลานะแต่ถ้าพอชนานาญขึ้นนะมันก็ง่ายขึ้นง่ายขึ้นการภาวนาก็จะง่ายขึ้นไปเรื่อยๆทีแรกยากยากทุกคนอะ่นะหลวงพ่อก็ภาวนาล้มลุกคลุกคลานนะลำบากนะอาศัยอดทนเก่งไม่เท่าไหร่หรอกทนอที่เยอะไว้พวกเก่งหรือพวกคิดมากไม่ค่อยได้เรื่องเท่าไหร่อดทนไหม ดูซ้าแล้วซ้ำอีกซ้าแล้วซ้ำอีกค่อยๆสังเกตตัวเองไปไปจิตไปติดไปคล้องอะไรคอยรู้ทันไปด้วยเช่นมันไปติดความนิ่งความว่างก็รู้ทันจิตไปติดความสุขก็รู้ทันะไปติดความสุขก็มีนะเภานาแล้วมีแต่ความสุขสุขอยู่งั้นนะเป็นปีเลยเสียเวลาหลวงพ่อก็เคยเป็นติดความว่างๆสุขๆเนี่ยอาจารย์มหาบวัวแก้ให้นะอีกทีหนึง่งไปติดอยู่ข้างในโลกข้างในเคยเห็นกิเลสมันฟุดขึ้นต่างหน้าอก ใครเคยเห็นนี่เลยมันผุดขึ้นกลางหน้าอกนะอเราสงสัยว่ามันผุดมาจากไหนจะตามไปดูจะตามไปดูต้นต่อมันนะมันผุดขึ้นตงนี้นะดูมันเข้าไปมันก็หดลงไปนะมันหนีลึกไปจะตามมันไปให้ถึงที่สุดเลยเป็นอะไรเป็นกันนะจะไปตายอยู่ข้างในก็ยอมแล้วะขอรู้ให้ได้มันมาจากไหนไล่ลึกๆเข้าไปหายวับไปข้างในก็เที่ยวควานอยู่ข้างในเที่ยว นี่ละมั่งหลวงปู่ดูลบอกไม่จิตไม่ส่งจีดออกนอกเอามันเข้าไว้ข้างในนี่แหละถ้าจะดีเห็น ไ, ไหมไม่รู้จริงได้ยินครูบาอาจารย์บอกมานึกว่าต้องส่งเข้าข้างในนี่อันนี้หลวงปู่สิมแก้ให้ท่านบอกออกมาข้างนอกออกมาข้างนอกไป็นหลงอยู่ข้างในไม่ได้เพราะฉะั้นหลงไปข้างนอกก็ไม่ได้นะหลงเข้าข้างในก็ไม่ได้ให้รู้กลางกลางรู้ไปอย่างเป็นกลางแต่อย่ารักษาตรงกลางไว้นะหลวงพ่อน่าผิดมาหมดทุกรูปแบบเลยพอท่านไม่ให้ออกนอกไม่ให้เข้าข้างในนะ รักษาไว้ตรงกลางนึกขึ้นได้หลวงปู่เทศบอกผู้ใดเข้าถึงความเป็นกลางเะพ้นจากทุกข์ทั้งปวงลูกศิษย์หลวงปู่เทศมีหลายคนประโยคเนี้ได้ยินประจําผู้ใดเข้าถึงความเป็นกลางเะพ้นจากทุกข์ทั้งปวงประคองไว้ตรงกลางนี่แหละประคองไว้ก็เป็นภพอีกภพหนึ่งเป็นภพอีกภพหนึ่งประคองไปประคองไปนะจิตรวมลงไปนะว่างไปหมดเลย นึกว่าโอ้นี่แหละนิพพานนะมัง่งทําอยู่ตรงนี้บ่อยๆคงนิพพานนะี่อยู่กลางๆเนี่ยโดนหลงปู่บูญจันทร์จวกเข้าให้นะนิพพานอะไรมีเข้ามีออกเนี่ยเรู้ไม่ใช่อีกแล้วกลางๆก็ไม่ใช่อีกแล้วที่จริงเป็นกลางนะแต่กลางไม่ใช่กลางด้วยโลเคชันไม่ใช่ด้วยที่ตั้งเป็นกลางหมายถึงว่าไม่ยินดีไม่ยินร้ายไม่ใช่กลางด้วยที่ตั้งนะ เป็นกลางด้วยความรู้สึกที่ไม่ยินดีไม่ยินร้ายต่อสภาวะธรรมทั้งหลายอันนี้เรียกว่ากลางกลางไม่ใช่ว่าไม่ใช่ข้างนอกไม่ใช่ข้างในแล้วอยู่ตรงกลางไม่ใช่กลางวันไม่ใช่กลางคืนตอนโฟล์พเลฟพอดีเรียกว่ากลางไม่ใช่ไม่ใช่กลางด้วยกันมีตำแหน่งที่ตั้งมีจุดที่ตั้งไม่ใช่แต่กลางด้วยความเป็นกลางความรู้สึกที่ไม่ยินดีไม่ยินร้ายเห็นสุขกับทุกข์เสมอกันเห็นดีกับชั่วเสมอกันด้วยปัญญา แต่อย่างนี้ถึงจะกลางภาวนาให้นะถึงจุดหนึ่งจะค่อยๆเป็นกลางมากขึ้นมากขึ้นนี่แหละอาศัยรู้สึกตัวขึ้นมาจิตลงไปรู้จิตเพ่งอยู่รู้ได้จิตรู้ขึ้นมาดูกายทํางานดูใจทํางานด้วยจิตรู้นี่แหละดูไปดูไปพอเหน็ดเหนื่อยขึ้นมาก็เข้าพักผ่อนทําความสงบสงบพอสมควรมีเรี่ยวมีแรงแล้วออกมาดูกายทํางานดูใจทํางานต่อนะอย่างนี้ไปเรื่อยจิตที่เขค่อยพัฒนาไปเรื่อยนะถึงวันหนึ่งมันก็แจ้งขึ้นมา มันก็วางแจ้งอะไรแจ้งอริยสัจไม่ได้แจ้งเรื่องอื่นหรอกแจ้งอริยสัจเห็นเลยว่าธาตุขันธ์ทั้งหลายมีแต่ทุกข์ธาตุขันธ์เป็นทุกข์ไม่ใช่ทุกข์บ้างสุขบ้างเหมือนที่เคยคิดมีแต่ทุกข์มากกับทุกข์น้อยเห็นในนี้ใจค่อยวางใจก็เป็นกลางต่อทุกสิ่งทุกอย่างก็วางตรงที่ใจเป็นกลางนั้นใจหมดความดิ้นรน เมื่อใจหมดความดิ้นรนใจก็ไม่ปรุงแตง่งเมื่อใจไม่ปรุงแตง่งใจก็เห็นธรร ม, มะที่ไม่ปรุงแต่งคือเห็นพระนิพพานนะเท่านั้นเองแหละถ้าใจเรายัง ม, มีความอยากแล้วมีความดินน้นรนก็ปรุงแต่งไปก็ไม่เห็นนิพพานเราปรุงสิ่งซึ่งกีดกั้นนิพพานเอาไว้เองนะิพพานอยู่ต่อหน้าแต่เราใจเราเนั่นแหละไปปรุงเครื่องพลุงพลังขึ้นมานะปรุงตันหาปรุงความอยากขึ้นมาปรุงสังขารคือความดินน้นรนของจิตขึ้นมา ยิบช่วยเอารูปเอานามคือดึงเอาทุกข์เข้ามาเป็นเจ้าเข้าเจ้าของไว้ก็เลยไม่เห็นนิพพานนิพพานนั้นเป็นความสิ้นตัณหาเรียกวิราคะสิ้นความปรุงแต่งเรียกวิวสังขารปล่อยวางขันไปเรียกว่าบิมุดนะแล้วจะเห็นนิพพานได้อเชิญไปทานข้าวนิมนต์ท่านจันนิมนต์ทุกองค์